ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงประพุทธญาณในวันนี้จะนำท่านผู้ฟังไปศึกษาพิจารณาทบทวนถึงบทสันเสริมพระพุทธคุณที่เราสวดกันสวัยเปิเด็กและแม้ในปัจจุบันก็ยังมีการนำสวดกันโดยเฉพาะยงยิ่งขึ้นในโอกาสพิเศษเห็นว่าในคราวมาครวิสาขะอสัญหะ ก็จะมีการสวดบทสังเสริมพระพุทธคุณกันบรนี้เป็นการประพันธ์ของพระยาศีสนทรสนทนบาหานน้อยอาจารย์ยางกุลพระสีสนทรบาหานน้อยอาจารย์ยางกุลก็มีการศึกษาตรวจสอบดูว่าท่านเอาในยะมา่ากไหน ก็พบว่าท่านเอามาจากพระนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงนิพน์บทธรรมวัดเช้าซึ่งขึ้นต้นด้วยพุโทโธสุสุโธกรุณามันโวนั่นเองก็เรียกว่าถ่ายทอดมาเป็นคำดอกคำโดยซ้ำไปนะฮะประเด็นตรงนี้เป็นการมองภาพรวมของพระพุทธเจ้า เป็นการเพื่พูนสถัทาปัสสะใหความเชื่อความเดิ่มใสให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของพุทธศาสนิกชนท่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าศาสนานั้นจะเป็นหลักสําคัญมากในความเป็นศาสนาแต่ละศาสนาเราะั้ถ้าศาสดาไม่เป็นที่ยอมรับมั่ถือของศาสนิกในศาสนาแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้เลยไม่ต้องดูอื่นไกลแล้ฮะดูง่ายๆว่า สมมุติว่าแพทย์คนหนึ่งเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับนักถือคนต่วยเนี่ยกระบวนการรักษาโรคทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครูคนหนึ่งไม่เป็นที่ยอมรับนักถือของนักเรียนเนี่ยกระบวนการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยรัฐบาลประเทศหนึ่งไม่เป็นที่ยอมรับนักถือของประชาชนจะบริหารราช ก, การแผน่นดินไม่ได้เลยเห็นไหมเรื่องนีด้เดียเอง เรื่องเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องเน้นซึ่งเครื่อศรัทาปรษาทะแปลว่าความเชื่อความเรื่อมใสซึ่งเกิดขึ้นและศาสน า, าพุทธเนี่ยมาจากพระพุทธเจ้าพพุทธเจ้านั้นเป็นาศาสดาแล้วก็เป็นเจ้าแห่งธรรมก็เรียกว่าธรรมราชา ดังนั้นเมื่อเราปรารถนาที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนและมีความหนักแน่นมันคงมันต้องมองเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นอนเนกนั้นในขณะเดียวกันคนควรจะภาคภูมิใจในตัวเองในเรื่องที่สิ่งซึ่งคนคนหนึ่งนะฮะจะสัมผัสได้ยากหมายความว่าคนคนเกิดมาหนึ่งชาติเนี่ยแล้วก็สัมผัสได้ยาก มันมีเรื่องอยู่สี่เรื่องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในวิีชีวิตของสัตว์โลกนะะไม่จะหมายถึงคนอนอกมากกอนสัตว์โลกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแต่อย่างแอย่างนั้นไม่ค่อยมีโอกาสคือคนจะไม่ค่อยมีโอกาสโอกาสประการแรกคือกิจโฉมนุสสะปฏิลาโพ การได้อัตภาพมันเป็นมนุษย์คือเกิดมาเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจนะฮะแยนีเราลองสังเกตว่ามีลักษณะปัญหายเยอะเกิดเป็นคนแล้วแต่ว่ามันรูปร่างเป็นคนแต่ว่าจิตใจมันน่ากลัวอะไรเกบางทีก็เบี่ยงเบนทางเพศเป็นยิงก็ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่เชิง บางทีถ้าทางเป็นผู้ชายอ้าวกลายเป็นคล้ายๆผู้หญิงบางทีมีลักษณะเป็นผู้หญิงคล้ายๆเป็นผู้ชายเี็นคนเพราะในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ที่เป็นชายจริงหญิงแท้เนี่ยเอาเขาจริงก็ยากแล้วทีชั้งมันจานาชีวิตต่างกาันที่จะครองชีวิตให้ต่อนเนื่องกันไปไม่ตายเสียในระหว่างยิ่งยากใหจเลย วันก่อนอาตมาไปเจอประวัติพระเทระผู้ใหญ่ระดับบุรพาจารย์ในอดีตเนี่ยท่านเจ้าคุณพรมมุนีแฟงกิติสารเทระก็ถือว่าเป็นบุรพาจารย์ใหญ่นะที่บวชมาเป็นไม่รู้สักกี่ช่วคนมาแล้วเราไม่น่าเชื่อนะอายุท่านมณภาพเมื่ออายุหกสิบสี่แต่นั่นเอง ตอนนี้มา66ละไรยังนึกว่าดูรูปท่านเอ๊ะทำไมท่านแก่จังโดยผลงานอเนกอันออันน่ น, นะยุคสมัยน้นยูคสมัยรการนี้ห้าผลงานท่านอนเนกอันนั้นแต่ว่าอายุท่านก็แค่64แค่เดี่ยวในขณะเดียวกันก็มีคนเป็นอันมากที่ตายก่อนหน้านั้ น, น, น ก็แสดงการสืบต่อชีวิตให้ต่อเนื่องกันมาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะยากเราะนั้นใครก็ตามที่ได้ชีวิตมาอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ย mm hmm. ก็ถือว่ามีบุญอย่างนี่ยเพราะว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตเราหายใจอยู่ในคนกำลังไม่หายใจในี่เยอะเลยคนตายอยู่ทุกวินาทีสัตว์ตายอยู่ทุกวินาทีแล้วเราก็ไม่ตายในวินาทีนั้นเนี่ยก็ถือว่า ก็เป็นบุญเป็นบารมีประการหนึ่งกิจสัตฑธรรมมัตสวรนางการมีโอกาสได้ฟังพระรธรรมเป็นเรื่องยากทั้งอ่านทั้งฟังทั้งสนทนาทั้งอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสัทธธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้านี่จะยากเราลองดูตัวอย่างง่ายๆนะว่าสังคมไทยเราเวลานี้ประชากรประมาณหกสิบเอ็ดล้านคน มีคนสักกี่คนที่ได้เคยศึกษาพระสัจธรรมอย่างอจริง จ, จังวันก่อนพบหมอมราชวงศ์ท่านหนึท่านโบติวัตรวรเนี่ยนะแต่ว่าบวดรุ่นก่อนนัตมามาอยู่วัดอรร่ก็เจอกันที่วัดเทพศิรินท่านบอกว่าแหมผมเดี๋ยวนี้นะะ่าจะขุ่นนะยังอ่านโนกวาสไม่จบเลยหนังสือโนกวาสเป็นหนังสือเรียนสมภารวัคคะหน้ามันไม่ประมาณสักร้อยหน้าถึงหรือเปล่า ไม่ถึงฮะรู้สึกจะไม่ถึงท่านบอกว่าอ่านยังไม่เคยจบเลยแต่ท่านก็วางไว้ที่หัวนอนตลอดก่อนจะนอนก็ยกขึ้นมาอ่านบางคืนก็ได้สักหน้าบางคืนก็ได้สองหน้ายังไม่เข้าใจก็ยังไม่เรียนก็อ่านซ้ำๆอย่างนั้นเองแต่ว่าอ่านแล้วนอนหลับก็กลายเป็นยากรอบไม่นอนหลับไป พัฒโอกาสฟังประสัทธรรมศึกษาประสัทธรรมจนเข้าใจประสัทธรรมเนี่ยมันมีโอกาสยากมากแม้แต่พระภิกษุสามเณรเองนะฮะที่อยู่ในวัดวาอารามต่างๆก็เช่นบางทีก็บวชมาเยอะแล้วต่อผู้ธรรมะอธิบายธรรมะเข้าไปไม่ค่อยรอดเลยบางทีเรียนระดับปัญญาโทแล้วนะฮะเราลองซักดูสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยไปไม่ค่อยได้ เพราะวิทยาประสัทธรรมนั้นมันทวนกระแสะความคิดเยอะเลยคือคนรู้สึกแหมแคล้ายๆมาบีบบังคับอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างโน้นก็ไม่ได้แล้วก็กลัวตนจะสูญเสียอิสรภาพต่ว่าต้องปฏิบัติตามหลักของประสาทธรรมก็เลยค่อนข้างขยาดต่อประสัทธรรมแต่ถามมาทําไมล่ะ มันก็เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของบารมีกับอาสวัตรมีเทวดาตนหนึ่งเคยมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้อย่างไงว่าคนจะเสื่อมหรือว่าจ ะ, จะเจริญพุทธเจ้ารับสั่งว่าคนที่เสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจ ะ, จะเจริญก็รู้ได้ง่ายคือคนใดใคร่ธรรมก็เป็นผู้ที่จเจริญคนใดรังเกียจธรรมะหรือชังธรรมะก็เป็นผู้เสื่อม นั้นแสดงคนที่ชั่งธรรมะก็คือมีวิชาเยอะอสาาวะมันเยอะคนที่ใครท่ทำเยินดีในธรรมพอใจในธรรมมันก็แสดงว่ามีบารมีอยู่เยอะแดะอาจารสังเกตจากภาคสนามจะบางครั้งข่าวที่เราไปอบปรมเด็กไงโดยเฉพาะเด็กบางชีนเนี่ยอาจารย์สนใหญ่ที่เขานิมนต์เดีนี้มันมั น, มนอบรมเรากิดกรรมอบรมในมันเยอะไง อย่างน้อยก็สองชั่วโมงนะะสองสาสามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงบางทีเนี่ยเด็กบางทีเนี่ยบางแข่งนะโดยเฉพาะที่ทำอยู่ที่วัดพระพูกแก้วตอนนี้เป็นเด็กทางอีสานใต้แปดจังหวัดอีสานใต้แต่ส่วนใหญ่มาก็จะอยู่แถวสุรินทร์ศรีสะเกตบุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิเนี่ยนะ น, ะนานๆจะขึ้นไปถึงพวกอบบุบลอะไรทักทีพเนี่ย ก็เราก็ถึ่งเขานะบางทีก็นั่งนั่งพเพียหรือนั่งขัดสมาธิก็ตามปัญยาสายนั่งสมาธิก็ได้ก็ไม่ได้บ้าอะไรเธอฟังได้รว้เดียวแล้วมาก็ไม่ค่อยชอบให้เด็กอ่อนแอคือชอบพักชอบเบรกเนี่ยอรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างระบอกราชการเนี่ยมันมันอ่อนแอเกินไปนะบางทีฟังการบรรยายธรรมะแค่ชั่วโมงหนึ่งขอบเบรกแล้วขอพัก พระนี่เขาพังที้งามสี่ชั่วโมงก็ไม่ได้พักใดนะก็แสดงพื้นฐานดังกันแล้วถ้าพระต้มาฐานเนี่ยนะเราเคยคุยไปวัดกับ ม, มันถานเนี่ยบางทีคุยธรรมะในส่วนหน้าตรมาจะคุยอนี่ยนะเด็กเขาจะมาสักถามสอบถามอะไรต่างๆแล้วเราก็ถามเขาเรื่องภาคปฏิบัติเขาก็ถามเขาในภาคของประไตปิฎกก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกัน่ที่คุยกัน กายขันเมื่อไรยังไม่ทันรู้เลยมันเพลินไปงั้นเองครับแล้มันขึ้นอยู่กับความพอใจที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะมีการอธิบายธรรมะเราก็ตื่นเต้นร้าวใจแต่ว่าคนบางคนก็งนายเลยเห็นไห้แสดงว่าพื้นฐานทางอาสวะบา ร, รมีมันก็มีอิทธิพลต่อจิตใจของคนทุกคนเนี่ยนะฮะคือคือไม่ว่าคนใดคนหนึ่งก็ดูซิว่าเรามีว่าอาสวะหรือบา ร, รมีมากกันไง แต่ทีนี้คนที่เหนียสวะมากนั่นแหละพอไปเจอไม่ใช่ทำเข้านะไปอยู่ในบาร์ในผับในแหล่งรมรมต่างๆในไ ต, ตโอแก็อยู่ได้เยอะเลยเล่นไพ่เล่นอะไรก็อยู่ได้นานเลยนะนแสดงอาสวะแกเยอะเหมือนกันบา ร, รมีน้อยเหนีย่ยวรั้งไว้ไม่อยู่นะเอาตะการมาสวะเอาวิชาสวะสองอย่างอนี่นยนะยุ่งนะทีนี้ประการสำคัญว่า ี่โฉบุษฐานามุ ป, ปาดูการเกิดของพระพุทธเจ้านี่ยากมากลองสังเกตว่าเอาสักประวัติศาสตร์ที่บันทึกเอาไว้เนี่ยนะเราลองย้อนไปเป็นหมนนื่นๆะปีเนี่ยนะไม่มีพระพุทธเจ้าเลยที่มีการพูดถึงพระพุทธเจ้ามากๆเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอิทธิพลของหมาญานมันไม่ใช่อิทธิพลของเถราวาต อิทธิพลก็เทราวาดที่มันของมายานแบบบนอยู่ก็มีนะนเวลาเนี่ยจะก็สวด ร, ระสัมบูธเทนะพระเจ้ามากเกินไปนะมันเกินไปไม่ได้เพต่อมากขนาดนั้นก็ไม่จะสอนใครกันแม้แต่ของเราที่บอกถึงยี่สิบเจ็ดองนะฮะเท่มาสวดในตานาทิยสูตรเราฟังแล้วก็รู้สึกมันจะมากไป แล้วก็เป็นเรื่องความเชื่อที่คนก็เชื่อกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้านั้นจะนานจริงๆโลกจะเกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาสักองค์เนี่ยเขาเรียกว่างพุทธันดรว่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเยอะโลกว่างศาสนาเนี่มันเยอะลเล ย, เยแล้วก็เอาคือขนาดไม่ว่างก็เอาแต่เมืองไทยเราเนี่ยเรารับพระพุทธศาสนามาอย่างที่บอกไว้วก่อนว่าสองพันสองร้อยสี่สิบกวปีเมืองไทยน่าจะเป็นหมาบนาทางจิตวิญญาณ เป็นผู้นำโลกทางจิต ป, ปัญญาได้นะแต่จุดอ่อนของสังคมไทยคืออะไรคือว่าไม่มีความคิดที่จะนำาศาสนาไปเผยแผ่ในต่างแดนอาจจะถือได้ว่าเป็นประเทศสุดท้ายนะที่ออกไปเผยแผ่ศาสนาต่างประเทศนในประเทศเทราวาต ด, ด้วยกันแม้แต่ลาวเขาเห็นนะฮะเข้าเป็นเมืองขึ้น เขารู้ภาษาฝรั่งเศสเขาก็ไปเผยแผ่ที่ฝรั่งเศสได้พวกพระพมา่าลังกาเขาไปเมืองขึ้นอังกฤษมาเขาก็เก่งภาษาอังกฤษก็ไปเผยแผ่ต่างประเทศได้ไปยุโรปอเมริกาได้เรานั้นดีที่ไม่เป็นเมืองขึ้นใครแต่ว่าเราก็ไม่เก่งภาษามีพระพลังท่าน รูปงท่านก็พูดที่จึงทรงความจริงไงนะเราก็รู้อย่างนั้นคือว่าคนคนเดียวเนี่ยมันเก่งสองอย่างมันหายยากมากเช่นว่าเก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่เก่งธรรมะพอเก่งธรรมะเกิดไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะภาษาธรรมะเนี่ยเมื่อสื่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราไปแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้นะบางทีเนี่ย เพราะว่ากรอบภาษานี่ยมันมันเชื่อมไม่ถึงเลยบางคนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่แปลเขาจะทับศัพท์เป็นศัพท์เทคนิคทั้งหลายเนี่ยเขาจะเขาจะไม่แปลมันแปลไม่ได้แปรเราต้องอธิบายพออธิบายแล้วก็เสียเวลายเยอะทีเนี้ยเขาจะทับศัพท์ไปทับศัพท์ไปเรื่อยๆถ้าเราคันติเราก็ทับศัพท์คันติ ขันตินี่ก็รู้แล้วเห็นแล้วนี่นะสังคมไทยรู้แล้วว่าขันตินี่คืออะไรกระทับศัพท์ไปแต่ถ้าอธิบายขันตินี่เรื่องปรเทศไดการหนึงเลยคือแต่เฉพาะเรื่องขันติเพราะฉะไอ้นคนสองคนไม่ใช่คนคนเดียวจะมีสองอย่างเนี่มันหายากทําให้การเผยแผ่ศ า, าสนาในเชิงลุกเนี่ยเราทําไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ค่อยมีนโยบายคือความคิดตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เตามาเองเสด็อมานานแล้วแต่ว่ า, าก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันเราก็เรียนแก่แล้วก็เรียนปกฟังรู้เรื่องบ้างนะมันไม่ถึงแค่เก่งอะไรที่จะไปพูดได้แต่ว่าทำยังไงว่ามันต้องสร้างความหวังความฝันเอาไว้ว่าถึงยุคหนึ่งเนี่ยอย่าลืมว่าประเทศไทยนั้นอ่อนด้อยหมดทุกเรื่องที่จะไปสู้กับโลกไร้ผมแดนเนี่ยไม่ได้หรอก นี่อย่างเดียวท่นเองที่จะสู้ก็ได้คือต้องพัฒนาเรื่องศาสนาขึ้นแล้วสร้างบุคลากรในศาสนาที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีเรียกวิชาจารย์สัมปนโนเนี่ยซึ่เราเห็นว่าคล้ายๆกับพระจย์ชาที่ท่านไปเผยแผ่ที่ต่างประเทศเนี่ยพระฝรั่งที่นั้นก็เล่าให้ฟังว่าไปถึงท่านดีตาบาดด้วย ท่านสุมเมธโอเจะคุณสุมเภธาจารย์นั่นบอกว่าไม่มีคนตากเราหลวงพ่อคนก็ไม่รู้เรื่องท่านบอกเฮ้ยไม่ใช่บินทบาทเอาคนไม่ใช่บินทบาตเอาอาหารก็บินทบาตเอาคนแล้วท่านบินทบาตนะฮะบินทบาทคนก็สงสัยคนก็มองดูสมัยนั่งคนไทยยัไม่มากสมัยนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้นะก็บินทบาทได้เพราะคนไทยเยอะแต่นั้นก็คือความประพฤติดีะความรู้ภาษา อังกฤษท่านไม่มีดอกนั้นนั่นคือคือตัวอย่างที่เราเห็นว่าโอกาสสามอย่างเนี้ยแม้มันมีอยู่อย่างเรายุคนี้โดยเฉพาะคนไทยแต่ประเทศไทยยุคนี้เราก็มีครบครบทั้งสี่อย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราพบพระพุทธศาสนาเราก็มีอายุตอนนี้ยังไม่ตายนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ฟังพระสธรรมเมื่ามีการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยพระใช้ความพยายามสูงมากนะ อาจะมาอยู่ในวงการู่ศสาสนามาสี่สิบกว่าปีในเราเห็นว่าเป็นยุคที่พระใช้ความพยายามมากที่จะนำธรรมะเข้าสู่ประชาชนตามกำลัาางความสามารถของท่านเนี่ยแน่นอนในบางจุดบางแห่งบางรายการนะอาจจะมีการเรียรบอกบุญอะไรต่ออะไรบ้างนะะซึ่งก็เป็นงานที่ท่านจำเป็นจะต้องทำอย่างเช่นาออกอากาศก็มีค่ า, ชาใช้จ่าย ถ้าท่านมีปัญหามากท่านก็อาจจะต้องบอกญาติโยมแต่มาเองก็มีค น, นสนิทสนมคุ้นเคยมีลูกศิษย์ลูกหามากเราบอกก็หน่อยเขาก็ช่วยกันเราก็ไม่ต้องไปเรียกรอะไรแล้วก็ไม่เคยได้ไรานยะะไม่เคยได้ไรายทำรายการวิทยุมา20 30, 30ปีแล้วมั้งเพราะเราทำได้นะแต่ถามว่าเด้ไรอะไมไมมันก็ คนเขาก็ให้คนเขามาช่วยแล้วก็บอกกล่าวกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสถานีเขาให้เองก็มีที่มีค่าใช้จ่ายก็มีอยู่สองสถานีอย่างนี้บอกนีคือมีสถานีแห่งนี้กับมอบคนสองดัานเองซึ่งเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นความพยายามที่จะเผยแผ่ธรรมะเข้าหาชน เรหาประชาชนเพื่อเราทํางานเชิงรุกแบบสมัยพระพุทธเจ้าเราทําไม่ได้แล้วหรือเป็นเดินไปเคาะประตูบ้านเขาไปพบกับเขาไปสนทนาธรรมะ ก, กับเขาที่สภาพสังคมมันไม่เอึ้ยแล้วนะแต่ว่าทํำยังไงเราก็ใช้สื่อใหญ่เขา้ารุกสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเข้าไปถึงอินเทอร์เน็ตแล้วนะตอนาะงั้นโอกาสฟังพระธรรมเนี่ยมันเยอะมาก แต่ก็คนไม่ฟังอ่ะคนไม่ได้ฟังไม่ได้ยินแต่ว่าลองสังเกตว่ารายการโทรทัศน์นะฮะรายการโทรทัศน์ถ้าเราไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าไปภาคไหนของประเทศจะมีคนเข้ามาหาเลยตรงยิ้มมาเลยบารู้ท่านทุกเช้าแต่เผงยินตัวจริง จะมาไหว้มารายงานมาเล่าฟังแสดงว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มคงไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่คงไม่น้อยนะ่ะฮะคงไม่น้อยเท่าไหร่เหมือนกันว่าฟังอยู่รายการบางรายการเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนฟังเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างนรายการตอบปัญหาธรรมะกรรายการศาสนาสถานในวิทีอสเนี่ย ท, ท, ทั้งๆีรายการตอบปัญหามันน่าจะมีคนถามปัญหามามั่งนี่เยื่อก็ถามมาจากที่อื่นไม่ใช่ถามไปที่สถานีนั้นก็แสดงให้เห็นด้วว่าความพยายามนั้นร ม, มีแต่ว่าผลจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ไม่รู้ประเด็นสำคัญว่าตัวกระตุ้นเร่งร้าเนี่ยคือคนจะต้องมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า ต้องมีศรัทธาเนี่ยพระเจ้าจึงเดินได้นะฮะถ้าขาดศรัทธาเนี่พระพุทธเจ้าแล้วจะไปได้ยากมากดังนั้นได้รบวมปฏิบัติตลอดระยะเวลาเดกือบจะมาอย่างคิดว่าคงเป็นปีนะฮะว่าจะจบเนี่ยคือมันเป็นความฝันมานานแล้วกําลังจะทําหนังสือได้ซ้ําไปหนังสือเองที่คิดเขียนเนี่ยนะเขียนเล่มใหญ่แล้วก็รวมเนื้อหาพระพุทธศาสนาไว้ในหนังสือเล่มเดียวแล้วก็ค่อนขึ้นใหญ่ ก็ยังคิดว่าอาจจะทําเป็นตอนเดยซ้ําไปจะใช้ชื่อใต้ร่มพระพุทธญาตเหมือนกันแล้วต้นมาก็เคยบรรยายบรรยายที่ตึกสวใช่วงรุยเจ้าจัสรู้เฉพาะก่อนจัสรู้กับหลังจัสรุนะฮะกระทบเสมัยมุติสุขช่วงนี้เรียกว่าใต้ร่มพระพุทธญาติมีเทปเยอะเลยคุณนานแล้วก็เหตุการณ์มันน่าศึกษามาก แต่ตอนนี้จะไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแต่จะย้อนไปไกลเลยอยันนี้บอกว่าย้อนไปที่อวิทูเร น, นิทานเรื่องไกลลิบล้นแต่วันนี้ก็จะนำความด้วยบทสันเสริญพระพุทธคุณโดยผลงานของพระศรีสนทรวานน้อยอจริยังกูลซะก่อนแล้วก็ อ, อธิบายเสริมความในตอนหลัง ท่านบอกอนใดระสัมพุทธสุวิสุทตสันดานตัดมูลกิเลสมานบอกม่มน์บอมิมน์ไม่หมองมัว ห, ห, ห, ห, หนึ่งในพระไถ ท, ท่านก็เบิกบานคือดอกปัวราคีพอพันพัวสุขคลกรรมจรอ์ใดประกอบด้วยพระกรุณาลังสาครโปรดหมู่ประชากรมละโอกะกนดานชี้ทางบรรทอทุกและชี้สุขเกษสารชี้ทางพระนรพายันพน้นโกประโยภัย พร้อมเบลยพิธจักสุจริตวิมุลสายเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบไปจัจจริงกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปเป็นชายหญิงสัตว์โลกในพึ่งพิงมรร บ, บาบบำเพ็ญบุญข้าขอประนุดน้อมศีระกราบบังคมคุณสมพุทธการุญยภาพนั้นนริรันดร์ตัวเรานี้ยถ้ากว่าเรานำมาขยายอธิบายเนะีจะเป็นหนังสือเล่มใหญ่หมากอาตมาเคยถาม เอรวมศึกษานิเทศที่อ๋สมบูรณ์แหงชาติหลายปีมาแล้วนะครับลลองถามกันดูว่าไอ้พร้อมเบนจะพิจารณาสุจราตวิมนุนใส่ที่หมายความไปยังไงวันนั้นตั้งสามร้อยกว่าคนนะเงียบชิมเลยถามว่าทำไมอะ่ะตอบไม่ได้เหรอกับอกไม่เคยคิดไว้ก็ไม่เคยคิดก็ว่าไปอย่างนี้อย่างเงี้ยวันตรงนี้มั น, ม, นมันเป็นนายาที่มหาศาลมาก แต่ในที่นี้ก็คงไม่ไปขยายตรงนั้นเพียงแต่ต้องการให้เห็นว่าคุณลักษณะของความเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีความหนุนเนื่องกันไปจนเป็นพระธรรมเป็นการทํางานผลเส้นทางของพระองค์เนี่ยะเป็นการสะท้อนออกไปจากพระคุณคือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาแต่ว่าปัญญาบริสุทธิ์กรุณานั้นเป็นผลในยุคที่ทรงสัจธรรมเป็นเหตุจริงนะฮะแต่ว่าก่อนดังนั้นเขาเป็นผล เกิดขึ้นมาจากการสร้างบารมีเป็นศาสนาของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์แล้วก็สอนให้ทุกคนช่วยตัวเองพึ่งตัวเองเป็นประการสาคัญพระพุทธเจ้าก็ทําหน้าที่ในการชี้บอกให้อย่างที่ทราบทราบกันต้งฟังเท่าไหาร่ใต้โลกมโพธิยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรณาธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี